สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขตหนึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมด45นักเรียน31ครวเป็น76 76ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักเรียนเมื่อวานก็ได้มาไหว้พร ะ, พ ร, ะรับศีลจากนั้นก็ได้ฟังหลวงพ่อกล่าวสมโมทนิยกถาแก่ลูกหลาน เลิกกันก็ประมาณสามทุ่มกว่าเมื่อคืนเนี่ยแต่ลูกหลานบางคนก็คงจะหิวข้าวอยู่มั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าอาหารจะทำไหมทางครัวเขาถามหลวงพ่อเออเอาทำข้าวต้มมาเลี้ยงกับพอแล้วล่ละมาวัดไม่ต้องทานอะไรมากเพราะเหตุอลเพราะหลวงพ่อไม่ทานข้าวเย็นลูกหลานมาทานครูบาอาจารย์มาทานข้าวเย็นเดี๋ยวเอาเปรียบครูบามากเกินไป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 แต่ว่าสีนพิสมาจาร์เนี่ยท่านจะบัญญัติลองลงไปคือให้พระสงฆ์ปฏิบัติอันนี้กหะคือกฎระเบียบของพระสงฆ์ท่าว่าไปแล้วมากแต่ว่าย่นยอ่อลงมาถึงจะมากขนาดไหนก็เถอะนะพระในครั้งพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วอ่อนอกอ่อนใจว่าจะรักษาได้ยังไงสังสิน227้อยี่ข้อก็มากแล้วยังสีนพิสมาจาร์อีกเป็นพันๆเป็นหลายพันชิขาบท อาจจะถึงหมื่นก็ไม่รู้จะให้รักษาได้ยังไงถ้าผมรักษาไม่ได้ผมก็ต้องเป็นบาปเพราะฉันอาหารชาวบ้านเขาใช้ของชาวบ้านเขาและตัวเองไม่มีสินสินไม่บริสุทธิ์สินไม่ครบผมคงอยู่ไม่ได้ครับท่ า, านอาจารย์ผมคงจะลาสิกขาวันนี้ลหละคือบวชเข้ามาแล้วอาจารย์สอนวินัยให้แต่สอนกฎระเบียบให้สิกขาบทกิจที่ควรทากิจที่ไม่ควรทา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 จะให้รักษาศินทึงเป็นร้อยเป็นพันอย่างเนี้ยหลายพันอย่าง น, า 1, างนี้ไม่รู้เท่าไหร่จะให้รักษาทั้งหมดเขาไม่มีความสามารถเขาจะลาสิขาเขาจะไปเป็นคารวาสเขาจะรักษาศินห้าสินอุโบถสถคือศินแปดก็น่าจะเพียงพอสําหรับเขาเขอมีความมีขีดความสามารถเท่านั้นแต่ถ้ารักษามากกว่านั้นเขารักษาไม่ได้เมื่อรักษาไม่ได้เขาก็บินทบาทฉันอาหารชาวบ้าน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 พโลหิตตาจานไปเห็นพระประเจกกําลังบินทบาทเนะองค์เดียวนะพอเห็นบินธบาทพระประเจกท่านก็ออกจากนิโรธธมาบัตรท่านออกมาแล้วท่านก็เดินในตลาดคนมากพอโลหิตจะบอกเห็นพระประเจกเท่า น, นั้นอ่ะเอาไทบาดตักบาดไสาบาดตักบาดเน้อลูกหลานเน้อใสาบาดพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าที่ท่านเดินมาบินธบาทไสาบาดพระประเจกเน้อคนทั้งหลายเห็น โรโลหิตตาจารประกาศเขาก็เลยใส่บาดพระประเจกส่วนพระประเจกอ่ะอยสัมมาหัวโล้นี่กินข้าวแล้วก็ไม่เห็นทําการทํางานอะไรไปตีพุงอยู่ในป่าไม่ได้ทําการทํางานอะไรเสียราชการเสียเงินเสียวัตถุเฉยๆเถ้าทุกวันนี้เขาก็คงจะว่าเป็นกาฝากอย่างนั้นแต่ในบาหลีท่าไม่ได้พูดอย่างนั้นพอพูดเสร็จแล้วโปรโลหิตตาจารเนี่ยเดินเข้าไปในเวียงวังกระทางานต่อไป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 เอฟเอ็มเก้าไล่ไปจนถึงมากมายเหมือนกันแต่ถ้าหมุนไม่เจอคลื่นมันมันเคารับไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันคือวิญญาณและใจของคนนั้นอนะไปเจอคลื่นเหมือนกันแล้วก็ไปเห็นกันรู้กันไปพบกันไปรู้สึกได้นี่แหละอันนี้แปลว่ามันมีอยู่วิญญาณแต่ว่าเราหมุนคลื่นของเราไม่เจอเพรานะพระพุทธเจ้าในท่านคลื่นของท่านมีมากเลย